จะเป็นเหตุให้ใจซามลงส่งผลให้มีรูปซามได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้าหมองคล้ำราศีหม่นมืดลงแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระงับไม่ทำอะไรประเจิดประเจ้ดจะเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นถ้าสังเกตอยู่อย่างนี้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 กระทั่งเมื่อฝึกถึงขั้นที่ให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาก็จะมีรัศมีสว่างสวยฉายออกมาจากใจสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสการให้ด้วยความศรัทธาคือเต็มใจให้ใจจึงเป็นกุศลเต็มกำลังจะเป็นความปลื้มใจที่ได้อนุเคราะห์ผู้อื่นหรือจะเพราะเลื่อมใสศรัทธาในผู้รับเช่นพระสงฆ์ผู้ท่งศีลก็ตามกาลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยม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 เกิดจากกรรมในการให้ทานสมณะผู้ละกามด้วยความเคารพลึกซึ้งจะจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีรีตองที่งดงามโดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับส่วนในแง่ศีลธรรมนั้นเวลาจะทำผิดอะไรก็เห็นแก่นหน้าพ่อแม่และวงตระกูลไม่ทำตามอำเภอใจเพียงเพราะเห็นแก่กิเลส ต, ตนและถ้าเคยถือศีลแปดหรือออกบวช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 และจิตของคนชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญนั้นมักพ่วงอความโลภเข้าไปเจืออยู่ในบุญพร้อมจะแปลจากบุญเป็นบาปได้ทันทีที่มีการแข่งแย่งชิงดีทางหน้าตากันฉะนั้นอย่าสงสัยหากคนสวยแบบฉูดฉาดมักมีคนอยากเป็นคู่แข่งงามแบบเร้าความรู้สึกทางเพศเกิดจากกรรมในการประกอบงานบุญงานกุศล